เรดประวัติของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบันทึกโดยหลวงตาทองคำาจ้ารุวันโนพระอุปถากผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่นอยู่หลายปีทั้งในช่วงที่หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่บ้านโคกและบ้านนามนจนถึงวัดป่าบ้านหนองผือจังหวัดสกลนครได้เป็นผู้อุปถากหลวงปู่มั่นร่วมกับพระอาจารย์วันอุตโมและหลวงปู่ล่าเข ม, มปะโต จนกระทั่งหลวงปู่มั่นมรณภาพหนังสือเล่มนี้ตามทัศนคติของผู้บันทึกเสียงถือเป็นหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งที่มีเนื้อหาค่อนข้างสมบูรณ์กับหลากหลายเรื่องราวที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจไฝ่ธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งในด้านข้อวัดปฏิบัติการสอนสิทธิความเคร่งครัดและข้อแนะนาในพระธรรมวินัยและเรื่องการศึกษาปริยัต ที่มักเข้าใจผิดว่าพระกรรมฐานไม่สนใจด้านนี้รวมถึงเรื่องเหนือสามัญวิสัยและเรื่องปลีกย่อยอีกมากมายที่จะเปิดโลกของการศึกษาธรรมได้กว้างขวางมากขึ้นอุทุชนแม้ท่องจำพระไตรปิฎกได้ครบทุกตัวอักษรจดจำพุทธวจนะได้ไม่ผิดเพี้ยนก็ไม่มีทางเข้าใจได้ถูกต้องครบถ้วนจนกว่าจะปฏิบัติได้ถึงขั้น จึงจะรู้เข้าใจได้ถูกต้องลึกซึ้งขึ้นไปตามลำดับได้จริงเหมือนการรู้รสเปรี้ยวที่ไม่มีทางรู้ได้ตรงจริงหรือมั่นใจว่ารู้แล้วจริงตราบเท่าที่ยังไม่เคยชิมด้วยลิ้นตนเองดังนั้นการฟังเรื่องราวข้อวัดของพระผู้รู้ในด้านปฏิบัติจึงมีผลดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมความก็ใจทำในเชิงอัตถะคือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่การยึดติดแค่ตัวอักษร และตีความไปด้วยพื้นฐานแห่งจิตปุตุชนผู้ยังปากปนด้วยกิเลสตัณหาซึ่งหลายครั้งก็เลยเถิดไปถึงขั้นปรามาทเรื่องราวในพระไตรปิฎกว่าไม่มีจริงไม่มีทางเป็นไปได้หรือเข้าใจได้เพียงแง่เดียวมุมเดียวยังไม่นับกับการปลายผิดความหมายรวมถึงไม่เข้าใจจุดประสงค์ในคําสอนบางแห่งว่าเป็นเรื่องที่เหมาะกับบางคนหรือบางกลุ่มเท่านั้นบางเรื่อง แม้ไม่ใช่ทางดับทุกโดยตรงแต่ก็เป็นทางผ่านที่ต้องเกิดต้องมีสำหรับผู้ปฏิบัติหรือเป็นสภาวะที่มีอยู่จริงอย่างภพชาติเทวดานิมิตอภิน ญ, ญาเป็นต้นซึ่งมีกล่าวอยู่มากมายในพระไตรปิฎกเรื่องเทวดาถ้าไม่สำคัญไม่มีประโยชน์ก็คงไม่เป็นกรรมฐานข้อหนึ่งคือเทวตานุสติที่ทรงแนะนาไว้นะครับการรู้ไวจึงเป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับหลายคน เพียงแต่รู้อย่างไรจึงจะถูกต้องควรมีท่าทีอย่างไรให้ยังอยู่ในขอบเขตแห่งอริยมรรคซึ่งหลายเรื่องที่ท่านเล่าไว้นั้นยังช่วยเสริมศรัทธาสร้างกำลังใจในการปฏิบัติแก่ผู้มีอัธยาศัยเหมาะสมได้เป็นอย่างดีบางเรื่องแม้จะยังไม่เคยสัมผัสด้วยตนเองแต่ความศรัทธาในความประพฤติดีอย่างหาผู้เปรียบได้ยากและหลักธรรมันงดงามที่ท่านสอน ความเชื่อมั่นในคุณธรรมของท่านก็ทําให้คนอีกมากเชื่อในสิ่งที่ท่านเล่าไว้ยังไม่แคลงใจอันมีผลให้จิตสิ้นสงสัยในหลายข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกตามไปด้วยซึ่งสิ่งนี้สําคัญมากกว่าที่หลายคนคิดเพราะการศึกษาอะไรก็ตามถ้ายังสงสัยแคลงใจในผู้สอนหรือตํารานั้นย่อมเป็นไปได้ยากที่จะเกิดศรัทธาอย่างแท้จริงอันมีผลต่อการศึกษาปฏิบัติ ให้ก้าวนาและมั่นคงในทางเดินนั้นต่อไปได้ยากขอฝากไว้สำหรับท่านที่สนใจเรื่องลี้ลับคนได้อ่านหรือฟังพุทธธรรมฉบับรับขยายโดยเฉพาะบทว่าด้วยเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เทวดาเรื่องเหนือสามัญวิสัยซึ่งจะทำให้ท่านมีแนวทางในการปฏิบัติและวางท่าทีที่ถูกต้องกับเรื่องเหล่านี้ได้ตรงหลักคาสอนของพระพุทธศาสนาให้เกิดประโยชน์กับตนและสังคมต่อไป ย่มูแต่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีจริงจนกลายเป็นทําร้ายตัวเองทางอ้อมเพราะสิ่งมีจริงกลับบอกว่าไม่มีย่อมเป็นทั้งมิชาทิฏฐิและมิชาวาจาย่อมไม่มีทางบรรลุธรรมได้หลายคนที่บอกว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีก็ล้วนอยู่ในขั้นความเชื่อว่าไม่มีเท่านั้นหาได้มีที่ปฏิบัติจนได้สมาธิขั้นสูงแล้วกล้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริงเลยสักคน คนเปลี่ยนจากคาว่าไม่ควรสนใจมาเป็นว่าถ้าจะสนใจควรวางท่าทีอย่างไรให้ถูกต้องไม่หลุดออกนอกเขตพระพุทธศาสนาหรือหลักกรรมจะดีกว่านะครับสิ่งอ่านโดยอริยะคุณชมรมพลดีร่วมจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวคณิตวิชากุณครอบครัวอรอิยชาติพดุงกิจเอกลักษ์เลิดวรลักษ์เจ้าภาพรองครอบครัวสีโพคาครอบครัรยวยุวนิยม พิรพัฒอุตราสริติกุลพันธิบสันติภากรนัฐนิชาหิมะมานร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากทายเรื่องขอทุกท่านร่วมอนุมโมทนาสัพพธานังธรรมะธนังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง